คนเราไม่ค่อยอยากจะแบกอะไรเท่าไหร่จะให้ถือก็ไม่ค่อยอยากจะถืออันนี้หมายถึงร่างกายนะนธรรมชาตาของร่างกายมันไม่ค่อยอยากจะแบกบม่ค่อยอยากจะถืออะไรเท่าไหร่ถ้าเป็นของเบาๆก็พอทำเนา แต่จะเป็นของใหญ่ของหนักก็ไม่เอาบายเบียเ่ยงเหล็กเลี่ยงถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ถือไม่แบกแต่ว่าใจนี่มันตรงข้ามนะมันชอบแบกชอบถือนะเรียกว่าตะพึตตะพือทั้งสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมหรือนามรธรรม รูปธรรมก็เช่นรถยนต์บ้านเรือนนะผู้คนไอพวกนี้เป็นของหนักทั้งนั้นนะเป็นของหนักทั้งนั้นที่จริงแม้แต่ของที่ ดูเหมือนก็ไม่หนักเท่าไหร่เป็นแค่กระดาษเช่นธนบัตรหรือว่ า, าเพชรนินจินดาแต่ละเม็ดก็ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรเลยแต่พอจิตมันเข้าไปยึดถือเมื่อไหร่นะมันก็เป็นของหนักเมื่อนั้น ย, ยึดเท่าไรยิ่งยดหนานแน่นเท่าไหรแล้วมันก็ยิ่งหนักเท่านั้นอันนี้จริงๆแม้แต่กระดาษนี่นะถ้าหากว่าเราถือไว้ในมือถือไว้นานๆ น, น, นี่มันก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาได้นะกระดาษแค่แผ่นเดียว ถือเอาไว้สี้านาทีแรกก็ไม่ทลายพอสิบนาทีสิบห้านาทียี่สินาทีก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาเรื่อยๆต้องเกรงนะต้องเกรงมือถือไปนานๆก็จะมือก็จะเริ่มสั่นมีแค่กระดาษแผ่นเดียวนใจเรานี่ ที่บอนะมันก็ยึดถือนะอะไรต่ออะไรมากมายนะที่เป็นของหนักนะของใหญ่ก็มีจำนวนไม่น้อยบ้านรถยนต์โนะทรทัศน์ตูเย็นนะของเบาๆก็ยึด เพมันมีค่ามีราคามันก็เป็นค่ามันก็เป็นค่าที่สมมุติเอาเช่นธนบัตรเพชรนินจินดา น, นี้พอไปลงเชื่อสมมุติเขา้ามนก็ไปยึดเอาวิ่งมีค่ามีราคาเท่าไหร่ก็ยึดนั่นยึดหนามากเท่านั้น อันนี้ไม่ใช่เฉพาะของที่เป็นรูปธรรมนะนามธรรมก็เหมือนกันในสิ่งที่เป็นนามธรรมนะล้วก็ยึดเอาไม่ใช่น้อยเลยเช่นอะไรเช่นความคิดทฤษฎีความเชื่อนะยึดเอาจะเป็นความคิดของเรานะ คิดอะไรขึ้นมาได้ก็ยึดนะยึดแน่นยึดหนาไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยวางมันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวนะความเชื่ออุดมการาศาสนารัฐทีการเมืองรัฐที่เศรษฐกิจนะคนเราก็ยึดจนกระทั่ง กระทบกับทั่งกันเพราะว่าสิ่งที่ยึดนั้นมันแตกต่างกันก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันถึงขั้นวิวาทบาดหมางนี่ก็เพราะความยึดนะยึดในสิ่งที่เป็นนา ม, มาธรรมนี้เรียกว่าทิฏฐินะทิฏฐิความเห็น ใหความคิดความเชื่ออุดมงการนี่ว่าไปมันก็มันก็มีประโยชน์อยู่นะประโยชน์มากเลยเช่นศาสนาเนี่ยนะมันไม่เป็นศาสนานอะไรก็ตามมันก็ทำความสงบเย็นให้ ก, กับจิตใจผู้คนทำให้ชีวิตมีเป้าหมายมีทิศทางเพราะนั้นเนี่ยจะเพลอยึดไปบ้างมันก็ ก็ดูมีเหตุมีผลแต่บายครั้งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดในสิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ยังยึดนะได้แก่ความโกรธความเกลียดนะความวิตกกังวลความหนักอกหนักใจนะอันนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ความกลัวก็เพารลนใจความเกลียนก็กรีดแทงใจความเครียดแค้นก็เช่นเดียวกันความวิตกกังวลก็ทำให้หนักอกหนักใจมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยประโยชน์ตามมีแต่น้อยและส่วนใหญ่ก็ใช้ประโยชน์ไม่เป็นด้วยก็ยังไปยึดนะ แล้วก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ความดันขึ้นทำให้เป็นโรคหวัวใจทำให้เสลิดในสมองแตกแล่คนก็ยังก็ยังยึดยังแบกเอาไว้ไม่ใช่กายแต่หัวใจ ใ, ใจมันก็แปลกนะมันยึดไปแต่พึ่ตะพือทั้งที่สิ่งที่ยึดก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่ความผิดพลาดในอดีตนะก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมวางทำสิ่งไม่ดีนะผิดพลาดนะกับผู้มีพระคุณนะบางทีก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โต อาจจะขึ้นเสียงกับท่านบ้างกับผู้มีพระคุณบุปการีหรือว่าไม่ได้อยู่ดูใจท่านในวาระสุดท้ายหรือว่าติดทุละนะไม่สามารถไปงานศพได้ก็เสียอกเสียใจ กุมหัวกุมใจผ่านไปสิบปีสิบปีก็ยังก็ยังขาดใจอยู่มันไม่ใช่ขาดใจมันมันบีบคั้นใจเลยยึดทำไมยึดแล้วก็มีทุกข์ที่จริงเลแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยึดไปมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเพืนเชื่อว่ายึดหรือแบบนี่มันทุกข์ทั้งนั้น ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นของที่มีค่ามีราคามีประโยชน์ให้ความสุขกับเราหรือว่าของที่มันทำความทุกข์กับเราทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาบ้านก็ดีรถเดินก็ดีที่ดินพวกนี้ ถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นของหนักเหมือนกันแม้ว่าจะชั่งน้ำหนักได้ไม่กี่กรัมนะเช่นธนบัตรหรือว่าเพชรนินจินดาที่พระเจ้าจบอกว่าการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกเนี่ยก็รวมถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย มันหนักไม่กี่กามก็จริงแต่พอไปยึดเข้าเมื่อไรมันก็เป็นของหนักเมื่อ น, นั้นเพราะว่าก็จะมีความกังวลว่าจะมีใครมาแย่งชิงเอาไปไหมบางทีก็กังวลว่า ม, มันเป็นของจริงหรือเปล่า ตอนที่ได้มาก็มีความสุขเพราะรู้ว่ามันมีราคาแพงแต่ว่าเราอยู่ไปนานๆนี่มีคนมาบอกมีคนมาเล่าจะได้เขาก็ได้คราวตรงสยที่มีมันของจริงหรือเปล่าอันนี้รวมถึพักเครื่องเลยพักเครื่องซื้อมาเป็นล้านที่ส0ล้านซื้อมาก็หวังว่าจะ เอาไปต่อยอดได้ขายต่อคงจะได้กำไรหลายสิบล้านหรือหลายล้านแต่พอไปพอมีข่าวขราวเรื่องของปลอมทำไม่แนใจนี่กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถึงไม่จะเป็นของจิมก็ทุกข์อนะกลัวคนมาขโมยกลัวคนมาแย่งชิงกลัวมันเสื่อมกลัวมันเสียไป ของดีๆมีค่าก็เป็นก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่เรื่องที่บอกนะว่ามันก็ยังมีเหตุผลนะไอ้การที่ไปยึดเอาไว้เพราะว่ามันมีค่ามีราคาแต่พวกอารมณ์นะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยรวมทั้ง เรื่องราวความความทรงจำที่มันไม่ดีเจ็บปวดเนี่ยทำไมถึงไปยึดมันได้นะคนฉลาดก็จมีแต่ปล่อยนะเพราะว่ายึดปมันก็ทุกข์อปอกปาแต่คนเราก็ยังยึดนะจนเจ็บจนป่วย อันนี้เป็นเพราะอะไรนะรนงงานกเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความหลงมันเป็นเพราะความไม่รู้ตัวมันก็รู้ว่าทุกข์นะแต่มันวางไม่ได้เพราะว่าคนเราอย่างที่บอกเมื่อวานนะมันหลงมากกว่ารู้ วันวันหนึ่งหลงมากกว่ารู้รู้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์รู้ตัวนะมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์ให้หลงนี่ก็ 80-90% อรนให้หลงทีไรมันก็ก็จะหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดหรือไม่ก็เผลอโกรธนะเผลอเกรียดพอรู้ตัวก็มันก็วางลง นะพอลืมตัวเมื่อไหรนะ่ความหลงข้อมงามก็เะ็บเอามาคิดใหม่ไม่ไม่ใช่แค่นั่นเดียวนะมันก็ยังหลงต่อไปถึงขั้นธนุถนอมมันด้วยธนุถนอมอารมณ์เหล่านี้เอาไว้โกรธเกลียดใครนะ เป็นฟืนเป็นไฟเมื่อไหลนี่ก็ไม่ยอมให้อภัยมีผู้หญิงนี้ก็มาปรึกษาไม่รู้จักกันเขียนจดหมายมาว่าแม่นี่ก็เจสกว่าแล้วก็เป็นคนดีมีน้ำใจเพ้เอเพอ เ, อเอผอแพรแต่ก็มีเรื่องหนึ่งนะที่ เจ็บช้ำน้ำใจมากคนที่เคยให้ความช่วยเหลือแลมาทอยศถักหลังอากตันยูโกรธผ่านไป 20-20 ปีแล้วเนี่ยก็ยังก็ยังวางไม่ได้นึกถึงทีไรก็โกรธโมโหพูดซ้าพูดซราอารมณ์ขึ้น ลูกก็เห็นว่าแม่นี่ก็ยุ่มากแล้วได้มีความโกรธอย่างนี้อยู่ก็จะไม่มีความสุขเผลอๆเวลาตายไอ้เรื่องนี้ผุดขึ้นมาก็จะทำให้ไม่ตายดีนะจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็พยายามบอกแม่ให้ให้อภัยให้ปล่อยให้วางโอ้โมแม่ก็โกรธนะยิ่งโกรธลูกเข้าไปใหญ่ ก, การโกรธลูกนี่ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับมีใครมาจะทําร้ายของรักของห่วงเราเวลาเราโกรธใครเนี่ยอย่างเช่นคนที่โกรธลูกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเรากับว่าลูกนี่กําลังทําร้ายของรักของห่วงแล้สิ่งที่ลูกทําคือนะให้แม่ให้อภัยแต่แม่รู้สึกว่าลูกกาลังทําร้ายของรักของห่วงของแม่ ไอ้ความโกโรธความอาฆาตพยาบาดความเครีคยดแค่แมงกลายเป็นของและของของัว ข, ของแม่ไปซะและ้วลูกมาบอกให้ปล่อยให้วางก็โกโรธเหมือนกับว่าลูกกําลังมาบอกให้สละที่ดินสละทรัพย์สินที่มีอยู่โกโรธประมาณนั้นแหละนะโกโรตลูกเหมือนกับว่าลูกกาลังจะมาเรียกร้องให้สละ ทรัพสมบัติสระมรดกทั้งปลายทั้งปวงอันนี้เรียกว่าห่วงแหน์หวงแหน์ประครับประคงแหนความโกรธมากใครมันจะมาบอกให้ละทิ้งให้วางความโกรธนี่ก็จะโกรธเขาไม่ตายอย่าโกรธที่เขาให้ใหสละทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองลูกก็รู้รทํำยังไงคนรอนี่มันก็เป็นไปได้เถึงเพียงนี้นะ ถ้าเราใช้เหตุผลใช้สมองใคร่ครวนก็รู้ว่ารู้สึกว่าเนี่ยบงท่า น, น, นคนเราก็ทำสิ่งโง่ๆหลายอย่างนอกจากไปยึดถือไปแบกเอาสิ่งที่มันสร้างความทุกข์ให้กับใจและ ก, กายก็ยังถนอมรักษาปกป้องมันเอาไว้ความเศร้าก็เหมือนกันนะ เวลาเศร้าก็อยากจะจมอยู่ในความเศร้าอยากจะรักษาความเศร้าไว้นานๆเช่นฟังเพลงเศร้าๆคนเวลาเศร้ามันก็อยากจะฟังเพลงสนุกสนานหรอกฟังเพลงเศร้าๆซึ่งถ้ากัดตอกยำ้ำให้เศร้าเข้าไปใหญ่วันวาก็แต่นั่งเจ้าจุกใครมาชวนทําอะไรให้ไปเที่ยวก็เหมดไป เพื่อนหวังดนะีชวนให้ไปเที่ยวจะได้จะได้ลืมเรื่องราวลืมความเศร้าก็ไม่ยอมกับลำคาญเพื่อนริงอันนี้เรียกว่านะหวงแหนความเศร้ามันเศร้าแล้วมีประโยชน์อะไรนะแต่ก็ยังอยากเศร้า บางทีมันก็มีเหตุผลสรรสนร้องรับแล้วเออเศร้านี่แสดงว่าเรารักเขานะถ้าร้องไห้นี่มันแสดงว่าเรารักเขาถ้าไม่เศร้าไม่ร้องไห้แสดงว่าเราไม่รักเขาก็จะรู้สึกผิดเขาอีกมันก็มีเหตุผลนะความเศร้ามันก็สัรหาเหตุผลมาเพื่อที่จะรองรับมันจริงๆอารมณ์พวกนี้มันก็เหมือนกับมีชีวิตของมันนะพอมันเกิดขึ้นหรือพอมันคลองใจแล้วก็พยายามที่จะ หาทางปกปักรักษาตัวมันเองมันก็สั่งให้ใจเราเนี่ยเล่นงานคนที่มันสั่งให้ตัวเราเล่นงานคนที่มาบอกให้ให้อภัยความกลัวมันกลัวว่ามันจะมันจะมันจะสลายหายไปความกลัวมันกลัวนะมันก็เลย สั่งให้แม่นี่เลยงานลูกที่มาขอให้แม่ให้อภัยอันนี้ลูกแม่นี่อยู่แนหนมน้าความโกรธแล้วแล้วความกรธมันก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้มันอยู่ได้ไม่ใช่อยู่แด้งเดียวจเจริญเติบโตงอกงามเลยมันก็เลยสั่งให้ให้แม่ ด่าว่าลูกที่มาบอกให้ให้อภัยบางทีมันก็สั่งให้ความคิดนี่หายเหตุผลเพื่อที่จะลองรับว่าการโกรธความพยาบาทนี่เป็นของดีนคนเรานี่สังเกต ม, ม, มันจะมีเหตุผลที่จะสำรวจลองรับความโกรธ ความเศร้าความเกลียเดเหตุผลนี่มันก็จะเรียกว่ามันมาจากหัวสมองก็ได้นะแต่ความโกรธมันก็หรืออารมณ์พวกน่งสามารถจะสั่งได้มันก็้ามาครองจิตครองแจขงเราแล้วไม่ต่างจากพวกวไวรัสนะไวรัสเวลามันเข้ามาในในร่างกายเนี่ยมันจะเข้าไปในจุดที่สําคัญก็คือเซลล์มันจะแทรกตัวเข้าไปในเซลล์าทางแทรกตัวสอยเข้าไปในเซลล์ แลังจากนั้นมาช่วยจะยึดครองเซลล์แล้วก็สั่งให้เซลล์เนี่ยแต่และเซลล์เนี่ยหรือเซลล์ที่มันยึดครองเนี่ยปั๊มไวรัสตัวใหม่ๆขึ้นมามันสั่งได้นะมันฉลาดมากเลยมันสั่งให้กลไกต่างๆในเซลล์เนี่ยผลิตไวรัสขึ้นมาตัวใหม่หมจนกระทั่งไวรัสที่มันเต็มแน่นทั้งเซลล์เลย นั่นอาบียดกันช่องเซลล์มันระเบิดไวรัสก็กระจายกระจายก็เข้าไปแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ตัวอื่นๆจากเซลล์จากไวรัสแค่ 2- อสตัวก็กระจายเป็นหมื่นเป็นแานตัวแล้วก็ซึมเข้าไปเข้าไปคลองคลองยึดครองเซลล์ต่างๆแล้วก็ทำวิธีทำซ้ําเดิมคือสั่งให้เซลล์นี่มันผลิตตัวมันขึ้นมา ความขึ้นมาเยอะๆตัวเซลล์มันอัดแน่นไปด้วยไวรัสมั น, มนก็ระเบิดทำไมไออารมณ์พวกนี้อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียนก็ทํานี้กับติดใจของเรามันก็สั่งให้ตัวเราเนี่ยพยายามถนอมรักษาความโกรธหรือถนอมรักษาตัวมันเอาไว้ปกป้องตัวมันเอาไว้ให้เราก็ทําตามมัน เวลางมุดหิดนะก็คิดแต่เรื่องเรื่องนั้นนะ่ะโกรธใครเกลียดใครก็คิดแต่เรื่องนั้นแหลนะ น, นี่จนกว่ามันจะมีความรู้สึกตัวความความรู้ตัวเข้ามานั่นแหละเราจึงจะเป็นอิสระนะจากไออารมณ์เหล่านี้ได้ถ้าไม่มีความรู้ตัวเมื่ อ, อไหร่ก็ยังเป็นท่าของอารมณ์นะหรือว่าก็ยังเผลอ แบกเผอยึดมันต่อไปเผอทำ้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองต้องมีความรู้สึกตัวความรู้ตัวขึ้นมามีสเติมเมื่อไหร่เนี่ยนะมันถึงจะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้หมายถึงใจเรานะหรือว่าไม่ใช่แค่ใจหรือว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเป็นอิสระมันได้ กายมีสติมีความสึกตัวนี่ที่จริงเพียงแค่รู้ทันมันนะรู้ทันมันเห็นมันนี่มันก็มันก็มันก็ยอมแพ้เพราะว่านี่คือจุดอ่อนของมันจุดอ่อนคือการที่รู้ทันมันนะเพียงแค่มารับรู้นะมารู้ว่าใจเป็นอย่างไรรวมทั้งกายเป็นอย่างไรด้วยก็ช่วยได้เยอะนะ รู้ใจอาจจะรู้อารมณ์อาจจะอาจจะยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันง่ายกว่าคือการมารู้กายพ่าเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อกายด้วยกายมันจะเป็นตัวฟ้องนะกายมันเป็นทั้งตัวรับผลของอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งตัวฟ้องแต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนนะของอารมณ์เหล่านี้ด้วยเป็นจุดอ่อนยังไงนะเป็นจุดอ่อนที่ว่าพอเรารู้กายเนี่ย ก็ทำให้ทำให้มีสติที่จะเข้ามารู้ทันอารมณ์แล้วพอรู้ทันอารมณ์แล้วมันก็ค่อยจางคลายไปอาจารย์พรหมวังโสเคยเล่านะอาจารย์พรหมวังโสที่เป็นชาวพระชาวออสเตรเลียชาวอังกฤษแล้วตรองไปไปสอนธรรมไปเผยแพร่ธรรมที่ออสเตรเลีย เราว่าเคยมีผู้หญิงหนึ่งโทรศัพ์มาแก ต, ต่ว่าป่วยก็ไม่เชิงนะคือแกมีความวิตกกังวลอย่างสูงมากจนกระทั่งป่วยเลยป่วยคือนอนติดนอนล้มล้มหมอนนอนเสือ่อทำอะไรไม่ได้เลยร่างกายปกตินะแต่ว่ามันกังวิตกกังวลมากจะต้องนอนทำอะไรไม่ได้ อย่างดีที่มีแฟนแฟนะแฟนแฟนหนุ่มก็ช่วยทำโน่นทำนี่ให้ช่วยดูแลบ้านช่วยทำครัวช่วยทำความสะอาดบ้าน <c oughs> เป็นมาเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งหรือว่าหลายอาทิตย์แล้วกังวลก็มีคนแนะนำให้ลองโทรมาห า, า, าอาจารย์พรหมวังสวก็เลยโทรเลยโทรมาอาจารย์พรหมวังสวก็ถามว่า ส่วนไหนของร่างกายที่เธอรู้สึกวิตกกังวลมากให้แกงงนะหญิงสาวนาั่งงงหมายความว่ายังไงถ้าก็ตอบว่าเนี่ยคนเราเวลามีความมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะมีร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยาที่ร่างกายตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มันจะตอบสนองมีปฏิกิริยากับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหญิงผู้นั้นก็ไม่รู้นะตอบไม่ได้ท่านก็บอกว่าเนี่ยรู้เมื่อไหร่ตอบได้เมื่อไหร่ก็โทรมาบอกด้วยสักสองสามวันต่อม า, าเธอก็บอกว่ามันมีอาการเวลาวิตกกังวลมันมีอาการปวดแถวๆหน้าอกนะใ ต, ใต้ราวนมนะ อารพง์พง์สงศ์ถามว่ามันรู้สึกยังไงมันมีมีอาการยังไงเธอรู้สึกยังไงตรงนั้นตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็หายไปถ้าบอกเนี่ยรู้มาแล้วก็โทรมาบอกสามสี่วันต่อมาก็ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าก็อธิบายอาการทางกายไอ้ตรงใต้เราโนด น, น, นั้นได้อย่างชัดเจนเลยอย่างละเอียดเลย ท่านก็แนะนำว่าเนี่ยเวลาเมียอาการอย่างนี้เนี่ยก็ให้นวดนะให้นวดนวดอย่างอ่อนโยนตรงนั้นแหละนวดเขาเคลคึงเคล้นเบาๆนีถ้ า, าว่าทำไม่ได้ก็ให้ให้แฟนทำให้สักสามสี่วันต่อมาเธอก็บอกว่าตอนนี้อาการนั้นหายแล้วทำตามที่ท่านแนะนำ อาจารยก็ถามตัวว่าแล้วไอ้ควา ม, มกังวลน่ะมันเป็นยังไงมันยังอยู่หรือเปล่ายิางคนนั้นก็เงียบไปพักใหญ่นะเพราะว่าไม่ได้นึกถึงเลยเสร็จแล้วก็คงจะกลับมาสำรวจตรวจตาตัวเองแล้วก็เลยบอกว่ามันหายไปแล้วเพิ่งรู้ตอนนั้นแล้วว่ามันหายไปแล้วหายแบบไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้เนืรู้ตัวแล้นะถ้าไม่ถ้าอาจารย์พรมไม่ถามก็ก็ก็ไม่รู้ความวิตกกังวลหายไปแล้วหายไปเพราะอะไรนะถ้าพูดอย่างสุลูกคือหายไปเพราะสตินะความรู้ตัวคนเราเวลามีความอารมณ์เช่นความวิตกกังวลความกลัวความเกลียดเนี่ยมันจะมีอาการที่กายการที่จะไปรู้กายมีสติรู้ใจเนี่ยมันยากนะ แต่ลคนที่ไม่ฝึกนะแต่ว่าถ้ามีถ้าเรามามีสติรู้กายมันจะช่วยทา ใ, ให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันเบาบางลงได้ความกลัวความกลัวก็เหมือนกันนะเวลามีความกลัวเนี่ยนะมันก็จะมีอาการที่กายนะความกลัวก็เหมือนกันหัวใจเต้นเร็วหน้าหนึ่ขึ้นกระมวล การเนื้อเกรงพุทธไอ้พุทเนี่ยพอเราลองมาจับดูเนี่ยนะพอเรามาเอาสติมาดูมันเนี่ยนะหรือไม่ต้องใช้คําว่าสติก็ได้เพียงแค่รู้ว่ากายเป็นยังไงเนี่ยมันทําให้เรามีสติขึ้นมามันเป็นตัวช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพียงแค่รู้รู้กายเนี่ยมันก็ทําให้ ไอ้ความรู้ตัวเนี่ยเข้ามาเอาชนะนะไอ้ความหลงความลืมตัวที่เปิดให้อารมณ์เข้ามาเล่นงานจิตใจได้เวลาเรามีอารมณ์นะเข้ามารบกวนจิตใจเนี่ยนะอย่างแรกต้องมีคือว่ารู้ทันมาซะก่อนอย่านั้นแล้ก็ให้รู้ตัวว่ากำลังมีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นพอรู้แล้วเนี่ให้เรามาดูใจ ถ้าดูใจไม่ได้ก็มาดูกายมันช่วยได้เยอะเลยเป็นตัวช่วยถ้าถึงพูดว่าไอ้กายเป็นจุดอ่อนของอารมณ์นะเป็นจุดอ่อนหนึ่งของอารมณ์พอเรามารู้กายเขา้าก็ทำให้มีช่องทางที่จะเข้ามาก็ทำให้มีช่องทางที่ความรู้ตัวนี้จะเข้ามา จัดการกับอารมณ์นั้นไม่ได้จัดการอะไรมา ก, ก็ทําให้ปล่อยวางแค่นั้นเองไม่ได้องไปสู้รถตบมืออะไรกับอารมณ์นั้นเพียงแค่ปล่อยวางมันลงเท่านั้นเองปล่อยวางเพราะความรู้ตัวความรู้ตัวสําคัญยังไงเพราะว่าไอตอนที่ไปยึดมันจะด้วยความหลงด้วยความหลืนตัวพอรู้ตัวปุ๊บมันปล่อยเลยแต่ความรู้ตัวจะ จะมีกำลังถึงขั้นทำให้ความหลงมันหมดไปได้นี่ก็ต้องไอ้ต้องเริ่มจากการที่มารู้กายก ม, มารู้กายกายมันเป็นของหยากรู ป, ปรธรรมมารู้กายก็ทำให้ง่ายที่จะรู้ใจพอรู้ใจแล้วอารมณ์มันก็มันก็จางคลายไป มันมันรู้ตัวบ่อยๆนะมันทำความตัวบ่อยๆนะรู้รู้ใจไ่แต่ก็รู้กายก่อนวันนี้มันจะช่วยได้เยอะทีเดียวทําให้เราปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้ถ้าเราปล่อยวางได้บ่อยเท่าไหร่นี่มันก็จะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงหรือว่าเล่นงานเราได้ไม่นานมันก็จะวางวางวา ง, วางได้ได้เร็วขึ้น อันี้พดาเรื่องจ่าพร้อมจับ